การที่ท่านทั้งหลายมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันเพราะท่านมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวง เพราะการยินดีในธรรมจะนำไปสู่การสัมผัสรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองไม่มีรสอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับรสแห่งธรรมเพราะรสแห่งธรรมคือรสของการหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ส่วนรส อย่างอื่นนั้นไม่สามารถที่จะให้ลดของการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้กลับจะเป็นลดที่จะสร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นการยินดีในธรรมจึงทาให้ท่านได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกัน พอได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถอะไรในโลกนี้ก็ไม่ให้ความสุขเท่ากับรถแห่งธรรมรถที่เกิดจากการได้เงินทองมาเป็นน้อยด้านพันล้านก็จะสู้รถแห่งธรรมไม่ได้ รถที่ที่ได้จากการเป็นอะไรใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตเจนเป็ น, เ ป, นเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ซื้อรถแห่งธรรมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ารถแห่งธรรมนี้ให้ความสุขให้ความสงบปราศจากความทุกข์ แต่รถที่ได้จากลาบยศสรรเสริญ น, นั้นเป็นรถที่มีความทุกข์ผสมมาด้วยเพราะเมื่อเราได้อะไรมาเราก็จะรับจะห่วงจะห่วงแล้วก็จะเสียดายเพราะบางทีสิ่งที่เราได้มาก็ จะจากเราไปได้แต่รถแห่งธรรมที่เราได้นี้จะไม่จากเราไปจะอยู่กับเราจะเป็นของเราเป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงตายไปเราก็สามารถเอาสมบัติคือรถแห่งธรรมนี้ ไปกับเราได้แต่รสแห่งลาบยศสรรเสริญรสแห่งความสุขจากการได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราไม่สามารถที่จะเอาไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องทิ้งลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหามาได้ไป ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เอาไปได้ก็คือความยินดีในรสเหล่านี้เมื่อมีความยังมีความยินดีอยู่ในรสของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสพลิภเราก็จะต้องกลับมาหามันใหม่กลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย มาทุกข์กับการหาลายยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะมาทุกข์กับการดูแลรักษามาทุกข์กับการสูญเสียมาทุกข์กับการพลาดพลากจากลายยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดไปเวลาที่ร่างกายนี้ต้องตายไป นี่คือรสของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกในโลกนี้เป็นรสของความทุกขนะ์ไม่ใช่เป็นรสของความหลุดพ้นจากความทุกขนะ์มีรสแห่งธรรมนี้เท่านั้นที่เป็นรสของการหลุดพ้นจากความทุกขนะ์ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ค้นพบ แล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้ความจริงของรถแห่งธรรมว่าเป็นรถที่วิเศษรถที่ประเสริฐเลิศโลกอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีวันรู้เรื่องของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเลย เราก็จะหาแต่ลาบยศสรรเสริญหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการต้องคอยดูแลรักษาต้องมาทุกกับความห่วงใยแล้วต้องมาทุกกับความสูญเสียกับการพัพลาดจากลาบยศสรรเสริญสุขไปในที่สุด เพราะร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือในการหาราบยศสรรเสริญในการหารูปเสียงกลิ่นรสผลภพะนี้เป็นร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปนั่นเองแต่เราก็ไม่มีทางเลือกถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วก็ทุกข์กับมันไปจนถึงวันตายแล้วเมื่อตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่แล้วก็มาทุกข์กับมันใหม่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่ง เป็นทางที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเรารู้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งฝวงและการยินดีในธรรมในรถแห่งธรรมนี้เป็นการยินดีที่ชนะ ที่เนความยินดีทั้งปวงอพอถ้าเราไปยินดีกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาเราก็จะได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพละมาเสก็จแล้วเราก็จะต้องมาทุกข์กับมันพรามันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอน บางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเราบางทีเจริญบางทีเสื่อมเวลาที่เราเจริญในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระกันเราก็มีความสุขกันแต่เวลาที่เราต้องเสื่อมจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระไปเราก็จะทุกข์กันะ แต่การที่เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้จะไม่ได้เป็นอย่างการที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกิ่นลสผลตภะเพราะธรรมที่เราได้นี้จะอยู่กับเราไปเราจะสามารถรักษาธรรมนี้ไว้ได้และสามารถเพิ่มทําให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเต็มเปลี่ยมภายในหัวใจของพวกเราแล้วก็จะอยู่กับเราไปตลอดดาบชั่อนิธิรันเป็นของถาวรเป็นอมะตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีเป็นสิ่งที่ไม่มีเสื่อมจากใจของเราเป็นสิ่งที่เราเรียกว่านิจจังสุขขังอัตตาได้อย่างแท้จริงนิจจังก็คือ เป็นของถาวรสุขขังก็เป็นเป็นสุขเป็นสุขตลอดเวลาอัต t าก็คือเป็นของเราเพราะจะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือรถแห่งธรรมที่เป็นนิจังสุขขังอัตตาที่เราควรจะหากันที่เราควรจะยินดีกัน อย่าไปยินดีกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเพราะเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเขาเป็นของชั่วข่าวเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญเราก็สุขกันแต่พอถึงเวลาที่เขาเสื่อมเราก็จะทุกข์กัน เราก็ไม่ใช่ทุกเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเพราะพอเราตายจากโลกนี้ไปใจของเราที่ยังมีความยินดีในลาบยศสลรเสรนในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่มาหาราบยศสลรเสรญสุขใหม่แล้วเราก็จะหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราและความทุกข์ที่เราได้รับก็มากมายมหาศาลดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบให้เห็นไว้ว่าน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ที่เกิดจากความสูญเสียที่เกิดจากการพลัดพลาคจากราบยศสรรเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าน้ําในมหาสมุทรนี้มีมากมายเพียงไรแล้วน้นําตาที่พวกเราหลั่งกันในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มีมากน้อยเพียงไรจะต้องกลับมาเกิดมาตายมาหลั่งน้ําตากันสักกี่ครั้งกันถึงจะ มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของน้ำตาที่เราได้มาหลั่งกันและจะหลั่งกันต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เปลี่ยนความยินดีของเราจากการยินดีในลาบยศสรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มายินดีกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง ตอนนี้พวกเราก็ได้มาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเรายังไม่มีความยินดีก็ควรสร้างความยินดีนี้ขึ้นมาด้วยการกำหนดการเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะ ฟังเทศฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งเช่นที่ในสมัยโบราณจะมีกําหนดวันธรรมมะสวนาให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติกันวันธรรมมะสวนาก็คือวันพระนี้เองธรรมมสวนาก็แปลว่าการฟังธรรมให้เราฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ เพราะเพราะว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมเราก็จะได้เกิดความยินดีในธรรมเพราะเราจะรู้ว่ารสชาติของธรรมนี้ดีอย่างไรนั่นเองถ้าเราไม่ฟังธรรมกันเราก็จะไม่รู้คุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีความยินดีที่จะเข้าหารสแห่งธรรม เราก็ยังจะไปยินดีกับการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะต่างๆไปเรื่อยๆอยู่แต่ถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆเข้ามันก็เหมือนกับการที่เราดูโฆษณาสินค้าถ้าเราดูโฆษณาสินค้าบ่อยๆเข้าเราก็จะรู้จักสินค้า ที่เขาโฆษณาดีขึ้นไปจะรู้ว่าเขามีประโยชน์อย่างไรอให้ความสุขกับเราอย่างไรพอเราเห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆในการโฆษณาสินค้าเดี๋ยวเราก็อดที่จะไปเกิดความยินดีขึ้นมาไม่ได้อแล้วเราก็จะไปซื้อสินค้านั้นมานี่เป็นเหตุว่าทําไมเขาถึงต้องมีการโฆษณากัน พอถ้าให้โฆษณาคนก็จะไม่รู้ว่าสินค้าของเขาดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรให้ความสุขกับเขาอย่างไรกันเขาจึงต้องทุ่มเทงบในการใช้ในการโฆษณาสินค้าต่างๆกันเพราะเมื่อโฆษณาแล้วคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้จักสินค้านั้นเมื่อได้รู้จักสินค้านั้นก็จะไปซื้อสินค้านั้นนั่นเอง เมื่อได้ซื้อแล้วก็จะได้รู้ว่าสินค้านั้นดีหรือไม่ดีถ้าดีแล้วก็จะซื้อไปเรื่อยๆจะซื้ออย่างไม่มีวันหยุดพอสินค้าที่ซื้อมาหมดก็ไปซื้อมามาใหม่เพราะใช้แล้วได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการใช้สินค้าเหล่านั้นนั่นเองอาการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับการ ดูโฆษณาฟังโฆษณาของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโรว่ามีความมีประโยชน์มากน้อยเพียงไรต่อชีวิตจิตใจของพวกเราพระพุทธเจ้าเลยต้องกำหนดวันฟังธรรมขึ้นมาวันธรรมัตสวรรคคือวันพระวันพร ะ, พระเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมชาวพุทธ ได้มีเวลาเข้าหาพระธรรมคำสอนเข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาปฏิบัติเพราะต้องปฏิบัติด้วยถึงจะสามารถสัมผัสลอดแห่งธรรมการศึกษาเป็นเพียงการดูโฆษณาเมื่อดูโฆษณาแล้วเราก็ต้องไปซื้อสินค้าที่เขาโฆษณา เมื่อได้ซื้อสินค้าแล้วเอามาใช้เราก็จะได้รู้ว่าสินค้านั้นดีดีอย่างที่เขาโฆษณาหรือไม่การพังธรรมก็เป็นการโฆษณาธรรมที่พระเจ้าได้ทรงบัดรุก ถ, ถึงก็คือมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พวกเรายัางมีกันอยู่ถ้าเราได้พระธรรมเข้ามาอยู่ภายในใจของเรา ได้บรรลุ ธ, ธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้การฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเข้าหาลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้อง ให้ญาติโยมหยุดภารกิจการงานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพระนี้ตกประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้หยุดทำมาหากินหยุดหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลปรพภะกันแล้วมาอยู่วัดมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันมาถือศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากัน แล้วใจก็จะได้เข้าสู่ความสงบความสงบนี้ก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสงบนี้แหละที่เรียกว่าลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงจะต้องเกิดจากการบาเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาถึงจะเข้าถึงลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงได้ การฟังเทศฟังธรรมเป็นการฟังวิธีที่จะพาให้เราได้เข้าสู่ลถแห่งธรรมนั้นเองเมื่อฟังแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงสมัยนี้เรามีโอกาสมากกว่าสมัยก่อน คือเราสามารถฟังเทศฟังธรรมได้มากกว่าอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งสมัยโบราณนี่คนอ่านหนังสือไม่ออกกันต้องอาศัยการไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมจากพระสงฆ์องค์เจ้าแต่สมัยนี้เราอ่านหนังสือกันได้เรามีหนังสือธรรมะให้อ่านอยู่ที่บ้านเลยหรือเรามีซีดีให้ฟัง มีวิดีโอให้ดูให้ฟังถ้าเราอยากจะฟังเทศกันทุกวันเราก็สามารถฟังได้ยิ่งฟังบ่อยเข้าก็ยิ่งจะทําให้เราเกิดฉันทะเกิดวิริยะเกิดความยินดีในธรรมมากขึ้นไปตามลําดับแ ล, แล้วก็จะทําให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้สัมผัสลดแห่งธรรมได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นนะ นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันคือเราต้องเปลี่ยนความสนใจเปลี่ยนความยินดีจากการยินดีในการหาลาบยศสรรเสริญในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หันมายินดีกับการหารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงการที่เราจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง เราก็ต้องยินดีกับการทาบุญทาทานยินดีกับการรักษาศีลยินดีกับการภาวนาเ<ม>พราะนี้คือทางหรือเครื่องมือที่จะพาให้เราได้เข้าไปสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่มีอยู่ภายในใจของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีโอกาสที่จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสรับรูบร้กัน เพราะมีสิ่งที่ปิดบังเอาไว้ปิดกั้นเอาไว้สิ่งที่ปิดกั้นก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่หลอกให้พวกเราไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลภากั น, กนไปหาความทุกข์กันโดยคิดว่าเป็นการหาความสุขกันไปหาการเวียนว่ายตายเกิดกันโดยที่ไม่รู้ว่า เรากําลังไปเวียนว่า้ตายเกิดกันเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเรายังอยู่ต่อไปเมื่อเราตายไปกับร่างกายเราไม่รู้กันเมื่อเราไม่รู้เราก็เลยอาจจะไปคิดว่าเราเมื่อร่างกายตายไปเราก็ต้องตายไปกับร่างกายเพราะเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา เมื่อร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องตายไปกับร่างกายถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องกลับมาเกิดใหม่เราก็เลยจะไม่สนใจกับการที่เราจะเลิกการยินดีในลาบยศสรรเสริญยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเพราะการยินดีในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสนี้ จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่ถ้าเราได้มาศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราจึงไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เรายังต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ พราะเรายังมีความยินดีในลาบยศสัลเสรินในรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะอยู่แล้วเมื่อเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะต้องกลับมาทุกข์ใหม่ทุกเหมือนกับที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้และก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดน้ำตาที่เราจะหลั่งก็จะมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทร แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านก็จะสอนให้เราเห็นโทษของการยินดีในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลเถพะว่าจะนำเราไปสู่ความทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดให้เราหันมายินดีกับลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงจะดีกว่าเพราะจะทำให้เรายุติ การที่เราจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันจบสิ้นทําให้เราสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ท่านก็จะสอนให้เรายินดีในการบําเพ็ญธรรมที่จะพาให้เราได้ไปสัมผัสกับรสแห่งธรรมก็คือให้เรายินดีกับการทําบุญทําทานให้ยินดีกับการรักษาศีล ให้ยินดีกับการภาวนาเพราะเราเมื่อเรามีความยินดีแล้วเราก็จะได้บำเพ็ญเราก็จะได้ทำบุญกันแทนที่เราจะเอาเงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราก็เปลี่ยนการใช้เงินทองให้เอามาทำบุญทำทานแทนเพื่อเราจะได้สัมผัสรสแห่งธรรมในระดับต้นๆก่อน การทำบุญนี้ก็จะทําให้เราได้สัมผัสกับความสุขใจอิ่มใจความสงบในระดับต้นๆก่อนเพราะเวลาที่เราเอาเงินทองมาทำบุญทําทานเราก็จะระงับความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราพอเราระงรับความอยากด้วยการไม่ทาตามความอยากความอยากก็จะเบาลงไป ทำให้ใจเรามีความสุขทำให้ความทุกข์นั้นเบาบางลงไปสาเหตุที่เราต้องไปใช้เงินซื้อความสุขต่างๆก็เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วใจของเราอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองอยู่แล้วหงุดหงิดนำคาญใจเห็นกระเป๋าเห็นเสื้อผ้าที่อยากได้แล้วมันอดไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปซื้อแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุข เลยต้องไปซื้อของเหล่านั้นมาเพื่อให้ความสุขกับเราแต่มันก็เป็นความสุขชั่วเดี๋ยวเดียวพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการซื้อของเหล่านั้นก็หายไปแล้วก็ความอยากที่จะซื้อของใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมามันก็จะทําให้เราต้องใช้เงินซื้อของซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเรา ต้องใช้เงินเราก็ต้องไปหาเงินกันเวลาทั้งหมดที่เราไีอยู่ก็จะหมดไปกับการหาเงินเพื่อที่จะได้เอาเงินมาซื้อของต่างๆตามความอยากแล้วก็ได้ความสุขชั่วคราวชั่วประเดียวประดาวแล้วก็ได้ความทุกข์เพราะเมื่อได้ของต่างๆมาแล้วเราก็ต้องกังวลเราก็ต้องรักต้องหวงต้องห่วงแล้วถ้าเวลาที่เราจะต้องจากของต่างๆไปเราก็จะ เสียใจจะทุกข์ใจกันเราก็จะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมาหาลดแห่งธรรมกันแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราเปลี่ยนวิธีใช้เงินเปลี่ยนวิธีซื้อความสุขใช้เงินซื้อความสุขใช้เงินซื้อความสุขด้วยการเอามาทำบุญทาทานจะมาทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทากับโรงพยาบาลก็ได้ ทำกับสถานคนชลาคนพิการก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้ทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการซื้อข้าวของต่างๆมาแจกมาจ่ายกันหรือให้เงินทองเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อที่ทำให้เขาปลดเปื้องความทุกข์ยากลาบากต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะ หยุดความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็จะทำให้เราอยู่เฉยๆก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอยู่เป็นสุขได้ไม่ต้องไปเที่ยวก็อยู่อยู่บ้านก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกก็มีความสุขได้ก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินมากเกินไป เมื่อเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องหาเงินมากแล้วก็จะทำให้เรามีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันนี่คือการทำบุญทำทานจะทำให้เราได้ปลดเปื้องความอยากที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆ ทุกครั้งที่อยากจะซื้อของที่ไม่จําเป็นหนระือทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวไปหาความสุขตามความอยากก็เอาเงินทองนี้ไปทําบุญดีกว่าเมื่อทําบุญแล้วความอยากเที่ยวก็จะหายไปความอยากซื้อของต่างๆก็จะหายไปแล้วก็จะทําให้เรามีความสุขอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปเที่ยวก็มีความสุขได้ ไม่ต้องซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อก็มีความสุขได้เราก็จะมีเงินทองเหลือใช้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นเช่นใช้กับปัจจัยสี่ใช้กับอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็จะมีเงินเหลือใช้เราก็ไม่ต้องไปทำงานมากจนเกินไป เราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วมาปฏิบัติธรรมขั้นที่ขั้นที่สองต่อไปก็คือการรักษาศีลถ้าเราเป็นคนใจบุญเราจะไม่ชอบทําบาปเราจะรู้สึกว่าการรักษาศีล น, นี้ไม่ยากเย็นเลยเพราะคนทําบุญจะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่อยากให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการกระทําของตน ดังนั้นเวลาจะทําอะไรก็จะคํานึงเสมอว่าทําแล้วคนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนก็จะไม่ฆ่าก็ ก, ก็จะไม่ทําเช่นจะต้องฆ่าสัตว์เช่นมดมแมลงต่างๆถ้าฆ่าแล้วทําให้เขาเดือดร้อนเพราะชีวิตของเขาก็เหมือนกับชีวิตของเรามีคุณค่าเท่ากันเขารักชีวิตของเขาอย่างไรเรารักชีวิตของเราอย่างไรเขาก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้น เราไม่อยากให้เสียชีวิตของเราเขาก็ไม่อยากให้ชีวิตของเขาเสียไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่กล้าไปทำบาปเราก็จะไม่กล้าฆ่าสัตว์ไม่กล้ารักทรัพย์ไม่กล้าประพฤติผิดประเวณีไม่กล้าพูดปลดไม่กล้าดื่มสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถ รักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายถ้าเราทําบุญอยู่เป็นประจำํำมันก็จะทําให้เราจิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาเราไม่ทําบาปแล้วใจเราจะเย็ยนใจเราจะสบายจะหนักแน่นจะไม่วิตกกังวลจะไม่หวาดกลัวเหมือนกับเวลาที่เราทําบาปเวลาทําบาปแล้วใจเราจะวิตกกังวลกลัวจะต้องไปรับผล ของการกระทำที่ไม่ดีของเราอยู่ก็ไม่อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ด้วยความหวาดระแวงเวลาเจอใครก็ไม่มีความมั่นใจว่าเขารู้พฤติกรรมของเราหรือเปล่าความสุขก็เลยหายไปแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปเราจะไม่มีความรู้สึกระแวงหวาดกลัวเวลาพบกับใครเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่วิตกกังวลว่าเขาจะ รู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของเราเพราะว่าเรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ทำถ้าเขาจะรู้เขาก็จะรู้แต่เรื่องที่ดีของเราเพียงอย่างเดียวเราก็จะมีความสุขจากการไม่ทําบาปจากการรักษาศีลอันนี้ก็เป็นลดแห่งธรรมระดับที่สองระดับจากการรักษาศีลห้าแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่ม ระดับของความสุขระดับของลดแห่งทำให้มากขึ้นเราก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สามคือขั้นภาวนาขั้นที่จะทำให้จิตนี้ได้รับความสุขอย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะภาวนาได้เราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าขึ้นไปเป็นศีลแปดหรือเป็นศีลสิบหรือเป็นศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดแล้วแต่ความพอใจ บางท่านก็ไปบวชเป็นพระก็ถือศีลสองร้อยยีิบเจ็ดถ้าบวชเป็นแม่ชีและสามเณรที่แข่งคัดไม่แต่ต้องเงินทองก็ศีลสิบถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ศีลแปดศีลแปดนี้จะช่วยให้เรามีเวลามาสร้างความสงบมาสร้างความสุขให้กระจายเราได้อย่างเต็มร้อยนั่นเองเพราะเราจะต้องกำจัดกิจกรรมต่างๆไปนั่นเอง เพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราไปทากิจกรรมทางตาหูจมูกรื่นกายนี่มาทากิจกรรมในการภาวนา mm hmm. ถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็ยังจะไปทากิจกรรมอย่างอื่นได้ mm hmm. ชเช่นไปงานเลี้ยงหลังตอนค่ำก็ไปงานเลี้ยงได้ไปดูภาพยนตร์ดูละครได้ไปแหล่งบันเทิงต่างๆได้ ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนของเราได้ถ้าเราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนากันนั่นเองการภาวนาก็เพื่อที่จะทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบใจก็จะเป็นสุขอย่างยิ่งความสงบนี่แหละที่เราเรียกว่าลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง เพราะว่าเป็นรถที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมธรรมที่เราปฏิบัติก็เรียกว่าภาวนาภาวนาก็มีสองขั้นสมถาภาวนาขั้นที่หนึ่งทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็ใช้การการภาวนาระดับขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาเพื่อรักษาความสงบ เวลาที่เราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่มีวิปัสสนาคอยคุ้มครองความสงบที่เราได้จากสมถธภาวานาก็จะหายไปได้ถ้าเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วเราไม่ไปหยุดมันไม่กำจัดมันความอยากมันก็จะมาทำให้ใจที่สงบนี้กลายเป็นใจที่กังวลกาวาย ทำให้ใจที่เย็นที่สบายกับเป็นใจที่รุ่มร้อนรุ่มร้อนเอพราะความอยากอันนี้คือเรื่องของการภาวนาจะภาวนาได้จะต้องมีเวลาภาวนาจะมีเวลาภาวนาได้ก็จะต้องห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมต่างๆก็ต้องถือศีลแปดกันไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ก็จะช่วยทำให้ร่างกายไม่อิ่มจนเกินไปเวลานั่งสมาธิก็จะไม่รู้สึกง่วงนอนแต่ถ้าเราเล่าประทานอาหารเย็นด้วยแล้วเราไปนั่งสมาธินี่เวลานั่งแล้วจะรู้สึกง่วงนอนเพราะร่างกายมันอิ่มเกินไปทำให้อยากนอนมากยิ่งมากกว่าอยากนั่งสมาธิแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เราก็ไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยรอเวลารับประทานรับประทานอาหารเย็นกันหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมได้เลยขั้นต้นก็เดินจงกรมก่อนเพราะเวลารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆนี้มันยังอิ่มอยู่ถ้าไปนั่งมันจะหลับจะไม่ได้ประโยชน์จะเสียเวลาไปเปล่าๆเราก็มาเดินจงกรมกันก่อนมาเจริญสติกันก่อนมาทาสมาธิแบบ แบบหยาบๆก่อนคือการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆด้วยการใช้สติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธไปเดินจงกรมไปเราก็จะควบคุมความคิดได้ถ้าควบคุมความคิดได้เราก็จะควบคุมความอยากได้ถ้าเรา ควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้เราก็จะได้ใจที่เบาที่เย็นที่สบายที่มีความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่เต็มร้อยถ้าอยากจะให้สงบเต็มที่เต็มร้อยหลังจากที่เราเดินจงกรมจนเรารู้สึกร่างกายเบาแล้วไม่รู้สึกง่วงนอนแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิต่อนั่งหลับตาแล้วก็พบริกรรมพุโทโธพุโทโธต่อไป ถ้าเรามีสติอยู่กับคาบริกรรมไม่ไปคิดเรื่องต่างๆได้เดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งสัตวว่ารู้เป็นอุเบกขาสงบมีความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้ก็จะเกิดจากการที่เราหมั่นจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาสตินี้เป็นธรรมที่สาคัญอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีสติแล้วเดินจง ก, กมนั่งสมาธิไปนานสักเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถทำให้ใจสงบได้เพราะใจนี้เป็นเหมือนลิงการที่เราจะจับลิงให้มันอยู่เฉยๆได้นี้เราต้องมีเชือกมีเชือกไปรัดตัวมันแล้วก็ไปจับมันมัดไว้กับต้นเสา ถ้าเรามีเชือกแล้วจับมัจับตัวลิงมามัดไว้กับต้นเสาได้ลิงก็ขยับตัวไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีเชือกเราไปตามจับลิงจับไปจนวันตายก็จับมันไม่ได้สันใดถ้าเราไม่มีสตินั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปกี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงใจก็จะไม่มีวันสงบได้เพราะเวลาเดินเราก็จะคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้คนนั่นคนนี้ เวลานั่นก็เหมือนกันถ้ามีความคิดอยู่แล้วความสงบจะไม่เกิดแต่ถ้าเราสามารถบังคับใจให้บริกรรมพุทโธไปได้เพียง อ, อย่างเดียวใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นส่ง น, น, งนี้คนนั้นคนนี้ได้พอไม่ไม่คิดใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ใจก็จะเป็นหนึ่งเป็นเอขกขกตตารมคือศักตวาโร เป็นอุเบกขาเป็นใจที่ไม่มีความรักความชังไม่มีความกลัวความหลงมีแต่ความเย็นความสงบเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้เองว่าความสงบนี้พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติบาลังสุขเขาสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มี ถ้าเราอยากจะได้ความสุขสุดยอดเราต้องมาบำเพ็ญสติกันมาเจริญสติกันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันแล้วเราก็จะได้เข้าถึงนัติสันติพลังสุขขังเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่เป็นความสุขชั่วที่เราอยู่ในสมาธิพอเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องควบคุมความคิดต่อไปด้วยการบริกรรมพุทโธต่อไป เราอยากจะรักษาอยากจะปักครับประคองความสุขที่เราได้จากสมาธิแต่ถ้าเราเผลอไปคิดเมื่อไหร่ไปอยากเมื่อไหร่ความสุขนั้นก็จะหายไปทันทีเพราะความอยากจะมาทําลายความสุขจะทําให้ใจจากใจที่เย็นกลายเป็นใจที่ร้อนขึ้นมาใจที่สงบนิ่งก็จะกลายเป็นใจที่กังวนกังวายกระสับกระสายขึ้นมา ถ้ามีสติเราก็จะนึงใจให้กลับเข้าสู่ความสงบได้แต่มีวิธีที่ดีกว่าสติที่จะทําให้เรานี้ทาให้ใจสงบไปอย่างตลอดเวลาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วก็คือการใช้วิปัสสนาภาวนาคือใช้ปัญญาใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง <t om it> ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นความจริงมันเป็นความทุกข์เนี่เช่นเราอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้ความสุขจากการดื่มกาแฟก็ขอให้รู้ว่าเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวสุขขณะที่เราได้ดื่มมันพอดื่มเสร็จแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปพอความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟหายไปความอยากดื่มกาแฟถ้วยใหม่ก็จะตามมา แล้วถ้าเราไม่ไม่ดื่มเราก็จะทุกข์เราก็จะหงุดหงิดจะลำคาญใจจะกะวนกวายแต่ถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากเพราะเรารู้ว่าทําแล้วก็ต้องอยากไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะไม่ให้มีความอยากในกาแฟเราก็ต้องไม่ทําตามความอยากอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มอใช้สติหยุดมันหยุดความอยากด้วยคําบาลีคำพุทธโธพุทธโธไป คคู่กับปัญญาที่สอนว่าการทําตามความอยากนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขเราก็จะสามารถขืนความอยากได้เพราะเราสามารถสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ขึ้นมาสู้กับความอยากสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันก็จะเบาลงไปบางลงไปเพราะเรามีความสุขที่เกิดจากการ ที่เราได้นั่งสมาธิมาเราสามารถดึงมันกลับมาได้ด้วยการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอใจเรามีความสงบมีความสุขเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่เราไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันก็จะหมดกําลังไปเพราะทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาเราก็จะไม่ดื่มเราก็จะไม่ทําตามความอยาก แล้วไม่นานมันก็จะหายไปหมด เ, เช่นเดียวกับความอยากในเรื่องอื่นไม่ว่าจะอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้ความสุขทางตาหูหูจมูกริ่นกายแบบต่างๆอยากไปเที่ยวอยากไปาหาแฟนหาเพื่อนอยากจะไปดูภาพยนตร์ดูละครอยากจะไปฟังคอนเสิร์ตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ปัญญามาห้ามมาสอนใจว่าเป็นการไปหาความทุกข์เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหายไปแล้วใจก็จะว้าเวจะเศร้าซ้อยงอยเหงาก็จะอยากไปหาความสุขอีกหามากี่ลักกี่ครั้งกี่รอบก็เหมือนเดิมไม่มีวันที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความรู้สึกเหงาเศร้าซ้อยงอยเหงาว้าเวได้แต่ถ้าเราไม่ไปทาตามความอยากเหล่านี้ เดี๋ยวความอยากเหล่านี้ก็จะหายไปพอมันหายไปแล้วความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าวเวความหมงุดหงิดลาคาญใจต่างๆก็จะหายไปหมดใจก็จะว่างเย็นสงบสบายไปตลอดนี่เรียกว่าใจที่เป็นนิพพานเป็นอย่างนี้ใจที่ได้กําจัดความอยากต่างๆที่หมดไปจากใจด้วยวิปัสสนาภาวนาถ้ากาจัดด้วยสติมันจะกาจัดได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว ก็เพียงกดมันไว้แต่ถ้าใช้ปัญญานี้เราใช้วิปัสสนานี้เราเอาความจริงเราเอาเหตุเอาผลมาพูดกับใจมาสอนใจเมื่อใจเห็นความจริงว่าการทำตามความอยากนั้นนำไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดนำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดใจก็จะไม่ทำตามความอยากเองรู้ด้วยเหตุด้วยผลวิปัสสนาคือการรู้เหตุรู้ผลนี่เองรู้ว่าเหตุคือ ความการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์การไม่ทำตามความอยากจะนำไปสู่การดับทุกข์อันนี้ก็เมื่อรู้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จะไม่ฝืนไม่ฝืนเหตุฝืนผลไม่ฝืนความจริงเพราะไม่มีใครไปฝืนความจริงได้ความจริงย่อมเป็นความจริงเสมอเราจะไปเปลี่ยนมันไม่ได้จะไปเปลี่ยนว่าการทำตามความอยากนำไปสู่ความสุขนี้ เป็นไปไม่ได้การทําตามความอยากนี้ย่อมนําไปสู่ความทุกข์เสมอไม่มีวันที่จะนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้การที่ไม่ทําตามความอยากนี่แหละการที่ละความอยากนี่แหละเป็นการนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรใครๆทําแล้วก็จะเห็นเหมือนกันหมดพิสูจน์ได้ความจริงอันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วและนํามาสั่งสอนผู้ที่นําเอาไป ปฏิบัติตามผู้ที่มีศรัทธาก็สามารถพิสูจน์เห็นได้เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาแล้วก็จะมายืนยันรับรองในความเห็นที่พระเจ้าได้ทรงเห็นว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นความจริงแท้แน่นอนเป็นอากาลิโกเป็นความจริงในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นสมัยพระพุทธการก็ดีหรือในสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีความจริงอันนี้มันก็ยังเป็นความจริงอยู่คือความทุกข์นี้เกิดจากการทาตามความอยากการไม่ทาตามความอยากนี้เป็นการหยุดความทุกข์ต่างๆนี่คือวิปัจนาคือปัญญาที่เราจะต้องนำอามาสอนใจสอนใจให้เห็นตาลรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นแล้วใจก็จะได้หายหลงหายไปคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นนําไปสู่ความสุขเพราะมันจะนําเราไปสู่ความทุกข์ทุกตั้งแต่เริ่มอยากแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาใจเราก็กังวลกวาลกระสับกระสายหงุดหงิดลาคาญใจหรือเศร้ า, ส, ส, าส้อยเศร้าส้อยงอยเหงาว้าววแล้วนี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยาก และเวลาไปได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็เป็นความสุขเดียวเดียวพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะตามมาความจริงนี้เราสามารถพิสูจน์ได้จากการเจริญวิปัสสนาภาวนาจากการเจริญสมถะภาวนาก่อนที่เราจะเข้าถึงวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนถ้าเราไม่มีสมถะภาวนาไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ เราจะไม่มีกำลังสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้พอเกิดความอยากเราก็จะต้องไปทำตามความอยากทันทีแต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากสมถภาวนาเกิดจากความสงบเวลาเกิดจากเกิดความอยากเราก็สามารถเอาความสุขที่ได้จากสมถภาวนานี้มาสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ทําให้เราสามารถฝืนความอยากลากความอยากได้ ถ้าเราพิจารณาตามที่พระเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นว่าการทําตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์เป็นการนําไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิน้นการไม่ทําตามความอยากเป็นการนําไปสู่การดับของความทุกข์เนี่ยถ้าเราพิสูจน์น้อยเห็นตามที่พระเจ้าทรงเห็นแล้วปฏิบัติตามได้เราก็จะเห็นอย่างชัดเจนเมื่อเห็นอย่างชัดเจน แ, แล้วเราก็จะไม่ทําตามความอยากทุกชนิดน พอเราไม่ทําตามความอยากทุกชนิดความอยากทุกชนิดก็จะหมดไปจากใจของเราใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์นใจที่ไม่มีความอยากใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพานใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกทั้งหลายนี่ใจของท่านเป็นนิพพานมีแต่บรมสุขนิ บ, บานางังปลมังสุขขังสุขตั้งแต่ที่ท่านวันที่ท่าน การจัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจพระใจของพุทธเจ้านี้ก็2 5 0 0อกว่าปีแล้วก็ยังเป็นปรมังสุขขังอยู่และจะเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่ยังเป็นปรมังทุกขังอยู่เพราะพวกเรายังไปทำตามความอยากกันอยู่เพราะเรายังมองไม่เห็นว่าการทำตามความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้นกันนั่นเอง แต่ถ้าเรามาบำเพ็ญสมถภาวนามาบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยแล้วเราก็จะสามารถเห็นสัจธรรมมีดวงตาเห็นธรรมได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเห็นแล้วเราก็จะเห็นว่าการทำตามความอยากการสร้างความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเรา เมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะได้ระ ง, งับดับความอยากต่างๆพอระ ง, งับดับหมดแล้วใจเราก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไปใจเราก็จะสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปใจที่เป็นบรรมทุกข์ขังก็จะกลายเป็นปรมังสุขขังไปใจที่เป็นปรมังทุกข์ขังก็จะเปลี่ยนเป็นใจที่เป็นปรมังสุขขังไปถ้าเราได้พรมเพน ทานศีลและภาวนาครบถ้วนบริบูรณ์แบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บําเพ็ญกันผลก็คือนิบบานังปรมังสุขขังก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นนิบบานังปรมังสุขขังนี่แหละที่เรียกว่าลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำําสอนของพระพุทธเจ้าแล้พยายามเพียรพยายามปฏิบัติตามให้ได้เถิด แล้วความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ได้จากลดแห่งธรรมที่จะชนะลดทั้งปวงก็จะเป็นความสุขของท่านที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนยะถาวาริวาหาปุราปะเรกูเรนติสาคารัง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 มาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนาสีฤทธะนิจังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้ามีใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้ที่บนศาลามีไมโครโฟนให้ได้พูด เพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามด้วยถ้ายังไม่มีก็จะให้ผู้ที่ติดตามถ่ายทอดสดทาง Facebook กับทาง y o ยูทูบที่ได้ส่งข้อความเข้ามาได้เอามาถามก่อนตอนนี้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทั้งเฟซบ o o กสองร้อยเก้าสิบคนคะ่ะทั้ง y o u t u สี่สิบสี่คนคะ่ะคำถามจากผู้ฝากถามนะคะ การที่เราพยายามไม่ทำตามความเคยชินเช่นไม่พูดโตตอบเวลาไม่พอใจแต่ใช้วิธีเงียบหลังพิจารณาเห็นแล้วว่าพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็เลือกที่จะเงียบดีกว่าการคิดและทำแบบนี้ถือได้ว่าไม่ทำตามความอยากใช่ไหมคะก็ทำตามเหตุผลไงถ้าทำตามความอยากพอนึกอยากจะพูดอะไรล้วก็พูดไปแต่ถ้าเรานึกอยากจะพูดแล้ว มาพิจารณาดูว่าพูดไปแล้วเสียมากกว่าได้ก็อย่าพูดดีกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าการใช้ปัญญาเพื่อที่จะแก้ความอยากเราจะแก้ความอยากละความอยากได้ต้องละด้วยปัญญาละด้วยเหตุด้วยผลคือดูผลที่จะตามมาว่าดีหรือไม่ดีถ้าพูดไปแล้วเกิดผลที่ไม่ดีตามมาสู้อย่าพูดดีกว่า คำถามจากทาง y ยูทูบ e ลฟ์จากคุณลาวันจิตใต้สำนึกคือจิตที่ว่างใช่ไหมคะแล้วแต่เราจะตีความหมายของจิตใต้สำนึกว่าเป็นอะไรอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าจะว่าจิตใต้สำนึกก็คือสิ่งที่มันมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาตลอดเวลามันถึงเวลามันอยากจะโผล่ก็โผล่ขึ้นมา อันนี้ก็จะเรียกว่าจิตอยู่ใต้สำนึกก็ได้อันนี้ต้องไปดูนิยามคำหมายของคําว่าจิตใต้สำนึกว่าแปลว่าอะไรก่อนคําถามจากคุณตอนตุนตอนที่พระอาจารย์จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดพระอาจารย์เจอคุณแม่จันดีหรือเปล่าครับและคุณแม่จันดีถือศีลแปดหรือศีลสิบครับออตามปกติพระเราจะไม่ค่อยได้พบปะ ก, กับญาติโยม หลวงตาท่านยาเป็นผู้พบปากญาติโยมแทนพระเนนพระเนนเราจะทำแต่กิจวัตรของเรามาที่ศาลาหรือบินตาบาทแล้วก็บินตาบาทมาที่ศาลาแล้วก็ฉันกันจะไม่ได้ไปคุยกับญาติโยมไปต้อนรับญาติโยมไปคุยกับญาติโยมไปทําความรู้จักกับญาติโยมก็เลยไม่รู้จักใครเลยอยู่ที่นั่นทำแต่หน้าที่ของพระบินตาบาท กลับมาศาลาก็ทำหน้าที่บนศาลาฉันเสร็จก็เก็บกวาดถูศาลาเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่กุฏิไปปฏิบัติธรรมต่อยังไม่ค่อยได้กพบปากญาติอยู่คำถามคำถามจากคุณกันกา ร, การโยงสงสัยว่าเขาส่งกระดาษเขียนอะไรให้พระอาจารย์คราวหน้าจะได้ทำบ้างคะ่ะและเพื่ออะไรคะโอกระดาษนี่เป็นกระดาษที่เขาเขียน ให้ทราบว่าได้ถวายเงินให้กับพระอาจารย์เท่าไหร่เพราะว่าไม่สามารถที่จะมอบเงินให้กับมือได้ก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับเขียนเช็คให้แล้วถ้าต้องการก็เดี๋ยวไปเบิกกับลูกศิษย์งานนี้ฝากไว้ที่ลูกศิษย์แล้วอาจารย์ก็เวลาต้องการใช้เงินก็เาเช็คนี้ไปบอกลูกศิษย์ว่าเนี่ยวันนี้โยมเขาให้เงินเรามาเราต้องการที่จะเอาเงินไปใช้อะไรลูกศิษย์เขาก็จะจ่ายให้น คำถามจากคุณสุภาภรณ์คำว่าชาติสุดท้ายความหมายคืออะไรคะก็คือตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกไม่มีชาติต่อไปชาตินี้ก็เลยเป็นชาติสุดท้ายจะเป็นชาติสุดท้ายได้ก็ต้องตัดความอยากทั้งหมดให้หมดไปจากใจทําให้ใจเป็นนิพพานขึ้นมาทําให้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเมื่อได้เป็นพระอรหันตสาวกแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายไป ถ้ายังไม่เป็นผ้าอรันตสาวกก็ยังมีชาติตามมาถ้าเป็นผ้านาคามีก็ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกต่อถ้าเป็นผ้าสกิดาคามีก็กลับมาเกิดในการมาพบคืกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติถ้าเป็นผ้าโุดาบันก็กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติคำถามสกุลลาวันจะละความอยากให้ได้เป็นร้อยจะใช้เวลานานกี่ปีกี่ชาติคะ ก็ถ้าปฏิบัติภ า, าวนาได้ตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าไม่เจวันก็7เดือนถ้าไม่เจเดือนก็ไม่เกิน7ปีต้องสําเร็จได้เหมือนกับเรียนปริญญาโทนี่ปริญญาโทก็6ปีปริญญาตรีสปริญญาโทสองก็6ถ้าเป็น ญ, ญาเอกก็เท่าไหร่สิบเเพิ่มอีกห้าอันนี้ทางทางทา ง, ทางของาศาสนาก็ไม่เกินเจปี ถ้าเราปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าเราออกบวชแล้วเราไม่ทำภารกิจอย่างอื่นมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิจะเริญนสมัมมะภาวานาวิปัสสนาภาวานาไปตลอดเวลายกเว้นเวลาเวลานอนเท่านั้นที่เราจะไม่ได้ปฏิบัติรับรองได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เกินเจดปีเป็นอย่างมากถ้าฉลาดถ้าเก่งขยนันรู้ไวหัวไว บางทีเจ็ดวันก็ได้บางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีคำถามจะคุณเอเจเวลานั่งจิตไปคิดเรื่องอื่นพอรู้ตัวก็ดึงความรู้สึกมาที่ลมหายใจและกําหนดเข้าพุทออกโทถูกต้องไหมครับและถ้านั่งบ่อยๆเราจะนิ่งอยู่กับลมหายใจได้นานๆและไม่ไปคิดเรื่องอื่นๆความสงบจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้เรามีอะไรคอยดึงใจเอาไว้เช่นการดูลมหรือคำบริกรรมพุโทโธใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้พอไม่คิดเดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบคำถามจาก Facebook Live จากคุณปอเพื่อนที่รู้จักถูกย้ายหน่วยงานลดตำแหน่งแบบไม่บอกกล่าวขอความเมตตาชี้แนวทางการวางใจค่ะก็ต้องพิจารณาโลกธรรม ลาบยศสารเสวน ส, สุกนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมได้จะเจริญเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จะเสื่อมเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้วันดีคืนดีเขาอาจจะเพิ่มเงินเดือนให้เราขึ้นมาก็ได้หรือดันให้เราขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่สูงก็ได้หรือวันดีคืนดีเขาลดเงินเดือนก็ได้หรือไล่เราออกจากงานก็ได้นี่คือเรื่องของลาบยศสารเสวน ส, สุกที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราต้องพยายาม พิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงเมื่อเราไม่หลงเวลาขึ้นเราก็ไม่ดีใจเวลาลงเราก็จะไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าเหมือนฝนฟ้าอากาศเวลาฝนตกแดดออกนี้เราดีใจเสียใจไปกับมันหรืเปล่าเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลามันจะตกมันก็ตกเวลามันจะแดดจะออกมันก็ออกเราก็ไม่ได้ไปดีใจเสียใจกับมันชันใดลาบยศสรรเสริญสุขก็เหมือนกัน มันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกับฝนฟ้าอากาศถ้าเรามองมันเป็นฝนฟ้าอากาศเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามสกุลดอร่าหากทราบว่าเพื่อนบ้านแอบใช้ไฟแบบไม่ผ่านมิเตอร์เราควรทําอย่างไรคะสามีเราทํางานการไฟฟ้าคะ่ะเรามีหน้าที่ไปแจ้งความก็ไปแจ้งความถ้าไม่มีหน้าที่ก็อยู่เฉยๆคำถามสกุลเกษริน ศัยศาสตร์มีอยู่จริงหรือคะและสามารถทำร้ายคนอื่นให้มีเป็นอันเป็นไปได้จริงหรือคะที่นี่สอนแต่พุทธศาสตร์ศยศาสตร์ไม่ได้สอนไม่รู้ตรงไปหาคนที่เ้าเรียนศสยศาสตร์คำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมมาในสวนลูกเป็นผู้ปฏิบัติใหม่มาปฏิบัติครั้งแรกมาปฏิบัติเพราะความทุกข์ใจเกิดการแยกทางกับสามีจึงทาให้รู้สึกทุกข์ใจมาก รูข้อหนึ่งรูขอข้อทําในการปรับใจเพื่อจะใช้ชีวิตต่อไปข้อสองขอแนวทางการปฏิบัติสํํารุสาหรับผู้ปฏิบัติใหม่ค่ะเราทุกข์ใจเพราะว่าเราไม่อยากจะจากกันพอต้องจากกันเราก็เลยทุกข์ใจเมื่อเช้านี้ก็มีญาติโยมคนหนึ่งเขาดีใจพอเขาบอกเขาเลิกกับสามีได้แนละ้วเพราะเขาอยากจะเลิกพอเขาได้เลิกเขาก็สุขใจ งั้นเราอย่าไปทุกใจเดียเมื่อเราเลิกกันแล้วก็เปลี่ยนใจอย่าไปอยากไม่เลิกก็อยากเลิกเสียมองในแง่บัวกท่นตั้งแต่เขาเลิกนี้เขาบอกชีวิตเขาเบาขึ้นจะทําอะไรก็สบายไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาโกรธกันเขาก็ไม่ได้เลิกเขาแค่ยังอยู่ด้วยกันแต่เขาปรับความเข้าใจกันว่าต่อไปนี้คุณอยากจะทําอะไรคุณก็ไปทําของคุณฉันอยากจะทําอะไรฉันก็ไปทําของฉันไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอันนี้ก็ ทำไม้เกิดสุขก็ได้เกิดทุกข์ก็ได้เนี่ยถ้าอยากเลิกกันแล้วได้เลิกกันก็ดีใจถ้าไม่อยากเลิกกันแล้วต้องเลิกกันก็เสียใจฉะนั้นตอนนี้ถ้าอยากจะแก้ความทุกข์ใจตอนนี้ก็เปลี่ยนใจอย่าไปอยากไม่เลิกกันมันเลิกแล้วก็ดีใจไม่ดีกว่าเลยไปทุกข์กับมันทําไมมองโลกในแง่บวกตอนนี้เรากลับเป็นอิสระแล้ว เราสามารถทำอะไรได้ไปคุยกับใครไปพูดอะไรกับใครไปทำอะไรกับใครก็ไม่ต้องมีปัญหากับใครไม่ต้องมาเป็นทาสไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างต้องมาขออนุญาตขอไปทํานู่นขอไปทํานี่คำถามสักคุณพีเจเวลานั่งสมาธิภาวนาพุทธโธจิตเรามองที่ปลายจมูกดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธคาถามคือ เวลามองดูลมหายใจให้มองดูลมหายใจที่ปลายจมูกนิ่งๆไม่ต้องตามลมหรือให้จิตมองตามลมหายใจไปด้วยคะเอ่อให้ดูนิ่งๆให้ดูที่จุดเดียวดูตรงที่ลมสัมผัสเข้าออกให้รู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกจะใช้คำพุโทโธกับกับก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ดูเฉยๆก็ได้แล้วแต่ความถนัดคาถามจากคุณพรชัย ภาพที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นในขณะที่นั่งสมาธิเป็นเรื่องราวจริงหรือจินตนาการครับเป็นจะจริงแล้วไม่จริงก็ไม่ควรไปสนใจเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่สงบทําให้ใจเราไม่เด้งเข้าสู่อุเบกขาสู่ความเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้นันเวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ให้เราเห็นให้เรารู้อยู่กับ สติที่เรากำกับไว้เช่นพุทโธพุทโธเรื่อดูหายลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาถ้าไปสนใจยิ่งไปสงสัยไปวิเคราะห์มันก็ยิ่งปรุงแต่งไปใหญ่เมื่อปรุงแต่งมันก็จะเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิไม่ได้คำถามสกุลวินถ้าจะเลือกบวชที่วัดบ้านมหานิกายเนื่องจากแม่อยู่ต่างจังหวัดและไม่ค่อยสบาย แต่ใจจริงอยากเลือกวัดปฏิบัติที่เป็นสายธรรมยุทธ์ที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งจึงตัดสินใจลำบากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับถ้าจะบวชก็ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ถ้าตัดถ้าบวชแล้วยังตัดไม่ขาดก็อย่าไปบวช ด, ดีกว่าบวชแล้วยังอยากจะอยู่ใกล้แม่ก็อย่าไปบวชก็อยู่กับแม่ไปเลยไม่ดีกว่าเลยคาถามสักคุณกูล คนร่างทรงต้องเป็นคนดีแต่คนนี้ที่รู้จักเขาตกตีแม่ตลอดแล้วเขาทรงจริงหรือเปล่าคะฮ้ยเราไม่รู้หรอกมาถามเราเราไม่เคยเข้าทรงแม่คถามจากครูจอบพุทโธตามลมหรือไม่ต้องตามลมครับและควรเพ่งภาพ อ, อสุภะตลอดไหมครับไม่หรอกถ้าเราดูลมก็ให้ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องตามลมให้อย่างที่เมื่อกี้บอกให้รู้อยู่ที่จุดเดียว อยู่ที่จุดที่ลมสัมผัสเข้าออกที่ปลายจมกูกหรือที่กลางหน้า อ, อกก็ได้จุดที่เรารู้สึกลมสัมผัสแล้วก็จะพุโทโธก็ได้ไม่พุโทโธก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ไม่ต้องอสุภะตอนนั้นไม่ใช่เวลาอาสุภะถ้าจะใช้อสุพะแทนลมก็ดูอสุภะไปอย่างเดียวอย่าไปดูลมอย่าไปดูหลายเรื่องหลายราว เอาเรื่องเดียวถ้าจะใช้อสุภะเป็นอารมณ์ก็ดูอสุภะไปเรื่อยค่ะคำถามจากคุณกุลนั่งสมาธิไม่ค่อยได้มันร้อนรนทำอย่างไรดีคะอยากนั่งเพื่อแก้กรรมได้ไหมคะไม่มีสตินะถ้าไม่มีสติมันก็คุมใจไม่ได้ใจมันไม่ชอบอยู่เฉยเมันก็เลยร้อนเวลาที่มันต้องอยู่เฉยเแล้วนั่งสมาธิก็แก้กรรมใหม่ได้แต่กรรมเก่าแก้ไม่ได้กรรมเก่ามันผ่านไปแล้ว ม, มันทาไปแล้ว แต่กรรมใหม่ก็คือป้องกันไม่มันทําได้เพราะเวลาเรานั่งสมาธิเราก็หยุดกรรมนะหยุดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลานั่งเราก็หยุดคิดหยุดพูดหยุดเคลื่อนไหวทางร่างกายก็เท่ากับการหยุดกรรมแต่เราไม่สามารถไปล้างกรรมเก่าที่เราทําแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีมันต้องส่งผลแล้วเหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้เดี๋ยวมันก็ต้องเจริญงอกงามออกดอกออกผลไปตามเรื่องของมัน แต่ถ้าเราไม่ปลูกต้นใหม่ก็จะไม่มีต้นไม้โผล่ขึ้นมามาออกดอกออกผลให้กับเราคำถามจากคุณด่านในคำสวดสัพเพธรรมาอนัตตาติคำว่าธรรมาในที่นี้ไม่ครอบคุมถึงสิ่งใดบุคคลได้บ้างครับครอบคุมทุกอย่างที่มีในจักรกวาลนี้คือธรรมนี้มีสองช น, นิดธรรมที่เป็นสังขารกับธรรมที่ไม่เป็นสังขาร คำาสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการผสมปรุงแต่งของของของสิ่งอื่นๆเช่นร่างกายของเราเนี่ยเป็นสังขารเพราะเกิดจากการผสมปรุงแต่งของดินน้านมไฟธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟเราจึงเรียกสิ่งที่มีการเกิดขึ้นด้วยการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งหลายว่าสังขารแต่ตัวธาตุเองนี่มันไม่ได้เป็นตัวที่เกิดจากการผสมปรุงแต่ง ธาตุน้ํานี่ก็ไม่มีอะไรมาผสมปุงแต่งมีแต่น้ำล้วนๆธาตุดินก็มีแต่ดินล้วนๆพวกธาตุนี้เราก็เรียกว่าธรรมพวกสังขาร น, นี่เราก็เรียกว่าสังขารในบทสวดก็จึงสวดว่าสรรเปสังขาราอานิจจาคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเช่นร่างกายมีการรวมตัวก็เจริญขึ้นมาเวลาแยกตัวก็เสื่อมไปะ แล้วก็สัพเม昙านาตาก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือว่าไม่ใช่เป็นสังขารจะเป็นธาตุก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนทั้งนั้นไม่มีตัวตนในร่างกายไม่มีตัวตนในน้าไม่มีตัวตนในดินไม่มีตัวตนในลมไม่มีตัวตนในไฟนี่คือความหมายของสัพเพธธมานาตารวมทั้งสังขารและไม่สังขารคาถามสกุณประดิษฐ พญานาคหรือนาคราชจะมีคุณหรือโทษอย่างไรครับถ้าจะกราบไหว้นับถือบูชาบ้างจะได้ไหมครับก็ลองไปหาดูสิไปหาพญานาคหรือไปศึกษาดูไปค้นใน Google เดียก็ได้ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างเพราะเราไม่ได้ศึกษาคําถามจากคุณนพลภาพที่เกิดขึ้นมาเองกับภาพที่เกิดจากจิตสั่งสมองให้คิดคนละแบบกันใช่ไหมครับแต่ภาพทั้งสองเกิดจากจิตใช่ไหมครับ มันจะเกิดจากอะไรไม่ต้องสนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดูว่ามันเป็นตายรักเพียงอย่างเดียวก็พอมันจะเกิดขึ้นมาจากใครใครผดดิ์มันขึ้นมาไม่เป็นไม่เป็นบทไม่มีความสําคัญสําคัญที่ว่าเราทําไงกับมันถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตายรักเราก็จะปล่อยวางถ้าเราเห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่เราก็อาจจะไปยึดไปติดไปรักไปชางได้ฉะนั้นมองให้เห็นว่าเป็นตายรักแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน คำถามจากผู้ปฏิบัติธรร ม, มในสวนลูกขอแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ค่ะก็ฟังเทศฟังธรรมอันนี้ไปะเทศตั้งแต่ต้นสอนวิธีปฏิบัติขั้นต้นก็ให้ฟังธรรมก่อนฟังวิธีการปฏิบัติเมื่อฟังแล้วก็นำ ไ, ไปไปปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือทำบุญทำทานรักษาศีลศีลห้าศีลแปดแล้วก็ภาวนาเดินโจงกรมจดัดลำสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบ ออกจากสมาธิมาก็จเจริญปัญญามองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามจากคุณธิ น, นกรณ์เวลานั่งสมาธิจะเห็นเป็นแสงสีขาวสีน้ําเงินจึงจะทําให้จิตนิ่งได้แต่พอเวลาดูลมหายใจปกติจิตไม่สามารถนิ่งได้ก็จะกลับไปเห็นแสงอีกไม่ทราบเป็นเพราะอะไรและควรทําอย่างไรครับก็เป็นเจริตของเราที่ต้องใช้แสงเป็นเครื่องกํากับใจ เขเรียกว่ากสินน่ะแสงนี่ก็เป็นสีขาวสีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองเราจะใช้แสงสีเหล่านี้เป็นตัวกากับใจตัวเพ่งใจแทนการเพ่งลมก็ได้ใช้แสงแทนลมก็ได้คําถามจากคุณอุ๊การถืออุเบกขาเวลาเราเจอปัญหาที่เราคิดว่าต้องแก้ไขแต่อาจทำให้ผู้อื่นไม่พอใจได้ เราควรจะปล่อยไปหรือจะจัดการอะไรบางอย่างดีคะก็ต้องชังช่งน้ำหนักหลายอย่างดูว่าผลบวกผลลบนี่มันอะไรมันจะหนักเบากว่ากันถ้าทำแล้ว ม, มันลบมากกว่าบวกก็อย่าทำดีกว่าเหมือนกับทำมาค้าขายถ้าขาดทุนมากกว่ากำไรก็ปิดร้านดีกว่าถ้าปิดร้านเรากกำไรมากกว่าขาดทุนก็เปิดไป ไม่มีใครเปิดไปเพื่อให้มันขาดทุนเรอะงั้นเราทำอะไรเราก็ชั่งน้ำหนักดูว่ากำไรหรือขาดทุนถ้าทำไปแล้วขาดทุนได้ไม่คุ้มเสียก็อย่าไปพูดอย่าไปทำดีกว่าอยนน่ า, อางนี้มีใครถามไหมเนี่ยพวกนี้มาจากที่ไหนกันเนี่ยอ๋อกานค้าเป็นชมลมเลยชมลมอะไรมมเมากันกี่คนอะ ครู้จักที่นี่ได้ยังไง s <S เคยมาอยู่เลยมีอะไรอยากจะถามไหมถ้ามีเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนให้ mm hmm. อส่งไปยับ mm hmm. พูดใกล้ๆปากหน่อยนะแล้วก็เปิดไมค์ดันสวิตช์ขึ้นไป ปฏิบ า, ายนารัครับนรัตสการอาจารย์ <an> ครับ อ, อ, อยากจะถามเรื่องอาชีพบางอาชีพนะครับบางอาชี พ, ชพจําเป็นต้องเข้าสังคมแล้วก็อาจจะมีดื่มเหล้าบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีคนที่ประกอบอาชีพนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากจะดื่มแต่ว่ามันจําเป็นต้องแบบเข้าสังคมตามหน้าที่อาชีพอะไรเงี้ยครับแล้วก็จําเป็นต้องจิบๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับ <m ach an> <m ach an> ก็เลย<ำ>อยากจะแถบบางทีแล้วก็เอเวลาจิ๊บไปมันก็แบบรู้สึกแบบอึดขัดใจแบบ อ, อะไรเงี้ยครับก็พวกที่เขาไม่กแก้ไขยังไงพวกที่เขาไม่กินหมูทําไมก็ไม่กินหมูได้เวลาไปกินข้าวกับคนอื่นเขาก็บอกฉันไม่กินหมูนะเอก็ไม่มีใครไปบังคับให้ากินหมูสักหน่อยเราก็เหมือนกันเราก็บอกเขาว่าเราเป็นพุทธเราถือศีลห้าเราไม่กินเหล้าข้าก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วเรามันอยากจะกินเองมันก็เลยไม่ ไม่ยอมปฏิเสธใช่ไหมทําไมพวกที่เขาศาสนาสอนไม่ให้กินเนื้อหมูทําไมเขาไม่กินเนื้อหมูได้ไเขาทําไมเข้าสังคมได้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นอาจจะเป็นเรื่องของออวัยรุ่นนะครับคืออย่างเช่นแต่งนิยายอะไรเงีย้ยครับแล้วทีนี้เราอาจจะใช้จินตนาการมันมันเป็นการแบบเพรสเจอร์อะไร อ, อยู่ร<อ><อ>ครับหลอกนะลวงะหลอกลวง เขียนต่งนิยายเขียนละเขียนละครที่ไม่เป็นตรงกับความเป็นจริงนี่เป็นการหลอกลวงอย่างวันก่อนมีใครมาพูดว่ามีละครหรืออะไรที่ก็บอกว่าพระพระเจ้าพิมพิสารฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่อยากจะให้ลูกมาฆ่าหรือไงเพราะท่านได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วแล้วก็มีคนมามาแจ้งทีหลังว่าไม่มีในพระไตรปิฎกพ ร, พ, พระพิมพิสารไม่ได้ฆ่าตัวตาย คนที่แต่งละครทำละครขึ้นมาบิดเบือนความจริงอันนี้ก็เป็นการโกหกหลอกลวงนะเป็นการผิดศีลแต่ถ้าเกิดแต่งแบบตามจินตนาการอาจจะอาจจะไม่ใช่<ก>เป็นเรื่องก่อนที่จะใช้หนังก็ต้องให้เขาบอกให้รู้ก่อนว่า น, นี่เป็นเรื่องของจินตนาการไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริงคนดูจะได้เข้าใจว่าเอออันนี้มันอย่าไปเชื่อนะมันเป็นเรื่องเพ้อเจอเพ้อฝัน ดูไปเพื่อความสนุกเพืิดเพลินไปก็ว่าไปแต่อย่าไปเอาสาระจากสิ่งที่เราเห็นก็นแล้วกันว่ามันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องเอดูหนังซูมครับบางทีไม่ได้เสียตังค์อะไรงี้มันถือว่าผิดศีลข้อสองไหมครับก็แล้วแต่เราจะไป <laughs> ถ้าจะถ้าจะว่ามันผิดก็ผิดนแต่สมัยนี้มันก็ดูกันอยู่ว่ามันเป็นของ แบบกลายเป็นของฟรีไปหมดแล้วบางทีเป็นหนังเขาส่วนมากก็มีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยครับผมถ้าเราอยากจะซื้อสัสตว์สุดเจริญร้อยเอร์เซ็นราก็จ่ายเงินเข้าไปอย่าไปดู<ต>อยา่าอย่าดูหนังซูมอ่าอย่าไปดูกลับรักวกา ร, การครับอาจารย์คือส่วนตัวผมอะครับ เวลาผมมาวันป่าเงี้ยครับดูการปฏิบัติเงี้ยผมก็จะศรัทธาในการปฏิบัติและวันป่าแล้วทีเนี้ยครับผมคําถามก็มีอยู่ว่าผมอยู่กรุงเทพอะครับไม่ค่อยได้มาวันป่ากันเท่าไหร่เวลาไปทําบุญอย่างเงี้ยครับพอกับแม่จะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะครับเวลาไปทำบุญก็จะเจอกับพระที่แบบว่าพอคือส่วนตัวครับยืนบิณฑบาตเฉยไม่เดินอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าเข้าไปตามวัดที่เป็นก็ว่าพุทธพาณิย์นะครับแล้วจิตใจของผมอะครับมันไม่โอเคกับส่วนนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปด้วยหรือเปล่าครับ ออไม่บาปแาเพีงแต่เราไม่ศรัทธานี่น เ, mm hmm. เพลงแต่เราก็ไม่ได้บุญ mm hmm. คือถ้าเรายังทำบุญอยู่เราก็ยังได้บุญอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะได้ได้บุญเพียงครึ่งเดียว mm hmm. คือได้บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองไป mm hmm. แต่เราจะไม่ได้บุญจากการที่ได้รับธรรมะจากพระที่เราไปทำบุญด้วย mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. มีคาถามใหม่ไหมอ๋อ ต่อคคำถามได้เอาส่งไปให้อันนี้เป็นการขั้นขั้นตอนขั้นรอเวลาที่ทางบ้านยังไม่ได้ส่งคำถามเข้ามาคำถามจากทาง YouTube ไลฟ์ค่ะจากคุณด่านกิเลสละเอียดที่ได้แก่อรูปราคาและรูปราคาแตกต่างและเหมือนกันตรงไหนครับเอากิเลสที่มันยาบๆยาให้มันได้ก่อนเถอะกิเลสที่ จากการอยากจะขโมยเงินของคนอื่นหรืออยากจะไปเอาแฟนของคนอื่นมาเนี่ยเอ า, าไอ้ข้าวพวกตัวนี้ให้มันได้ก่อนแล้วค่อยไปหาหตัวที่มันละเอียดกว่า น, นี้รู้ไปตอนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้ไปกเ็เข้าไปไม่ถึงตัวมันเพราะมีกิเลสหยาบหยาบคอยขวางทางอยู่ต้องฆ่ากิเลสห ย, ยาบหยาให้มันหมดไปก่อนคำถามสากคุณเอเจ ตัวเราที่แท้จริงไม่มีอยู่ในขันห้าเลยใช่ไหมครับแต่เราเป็นแค่ผู้เห็นขันห้าเท่านั้นถูกไหมครับตัวเราก็คือตัวรู้เนี่ยความจริงตัวเราไหมตัวเราก็คือขันห้าเนี่ยตัวเรามันเป็นตัวความคิดเนี่ยว่าเราคิดเราก็คิดว่าเป็นเราขึ้นมาคิดว่าเป็นร่างกายเป็นเราคิดว่าความคิดเป็นเราแต่พอเราหยุดคิดไอ้ความว่าเป็นเราต่างนี่มันก็หายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว นั้นตัวเราที่แท้จริงไม่มีตัวเรามันเกิดจากการความสังขารความคิดปรุงแต่งสัญญาความจําได้หมายรู้คําถามจากคุณนภพลทาง Facebook Live การฝึกมโนมินิธิไม่ได้ดีไปกว่า อ, อานาปานาสติถ้าเช่นนั้นผมควรที่จะเลือกอานาปานาสติก็ย่อมไม่ผิดใช่ไหมครับ ก็ถ้าเราต้องการเจริญกรรมฐานถ้าเราต้องการวิปัสสนาต้องการสมรถะเราก็ควรที่จะเจริญอานาปนาสติจะดีกว่ามโนยิทธิ์ที่นี้มันไม่อยู่ในกรรมฐานสี่สิบเนี่ยไม่ทราบมาจากไหนคำถามจากคุณรุ่งศิริถ้าเว้นกินเหล้าหนึ่งวันคือวันพระวันอื่นกินจะผิดศีลไหมคะอ๋อก็ผิดวันที่กินไงวันที่ไม่กินก็ไม่ผิด คำถามจากคุณน้อยนั่งสมาธิประจำแต่ฝันเห็นสัมภเวสีบ่อยต้องแก้อย่างไรคะ อ, อ๋อแก้ไม่ได้หล้กเรื่องของความฝันมันเป็นเรื่องวิบากมันเกิดขึ้นตอนที่เราไม่มีสติเวลานอนหลับจิตเรามันไฝ่อะไรมันก็จะไปหาสิ่งนั้นมันไฝ่สัมภเวสีมันก็จะไปหาสัมภเวสีนั่นก็เป็นเรื่องที่เรารู้แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าเป็นตายรักไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อ น, นันตาก็คือเราห้ามมันไม่ได้อา น, นิจังก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไปอยากจะให้มันไม่มาเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆคำถามจากคุณจิรารถคนค้าขายเป็นคนกาหนดราคาขายเองเจอลูกค้าถูกใจก็คิดราคาต่ำจากที่กำหนดเจอคนไม่ถูกใจก็ขายเกินคําถามคือการทำแบบนี้ผิดศีลโกหกหรือเปล่าครับ ก็เราพูดตามราคาที่เราต้องการขายก็ไม่โกหกใครถ้าเราไปบอกว่าเราซื้อมาเท่านี้แล้วเราขายเท่านี้แล้วถ้าเราไปบอกว่าเราซื้อของมาแต่ราคาของที่เราซื้อมาไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ถึงจะโกหกแต่การขายของราคาต่างๆนี้เราสามารถเลือกขายได้ตามความพอใจของเราเพราะเราเป็นเจ้าของสินค้าเราก็ขายไปตาม ความต้องการบางทีที่ดินเนี่ยคนจะมาซื้อที่เนี่ยมันมีหลายคนหลายราคาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนได้ราคาแล้วแต่ความเหมาะสมความต้องการของเราถ้าเรายังไม่อยากขายเราก็ตั้งราคาไม่ไมแพงๆแต่พอเราร้อนเงินขึ้นมาก็ลดหวบลงไปเลยก็ได้อันนี้ไม่ไม่มีความเสียหายไม่ได้เป็นการทําผิดศีลทําบาปใดๆแต่ถ้าไปหลอกเขาว่าเออซื้อมาแค่นี้นะต้องขายแค่นั้นนะ แล้วความจริงไม่ได้ซื้อมาตามที่เราบอกนี่แต่เรียกว่าการหลอกลวงกันคำถามจากคุณวินการบวชที่วัดบ้านมหานิกายแต่อาจไม่ใช่วัดปฏิบัติจะได้บุญไหมครับถ้าบวชชั่วคราวเดือนหรือสองเดือนออบวชที่ไหนมันก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าปฏิบัติไม่ไม่ปฏิบัติบวชวัดปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้บุญบวชวัดบ้านแต่ แต่ตัวเองปฏิบัติบ้านเขาไม่ปฏิบัติวัดก็ไม่ปฏิบัติแต่เราปฏิบัติคนเดียวในวัดเราก็ได้บุญบุญอยู่ที่การปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบวชที่วัดไหนหมนแล้วนะอก็มีใครอยากจะถามอีกไหมเปิดโอกาสใหอ้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีก็จะยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้